ที่อีกเรื่องหนึ่งนะในสมัยอื่นอีกพรหมนี้นี่แหละก็บวชเป็นฤาษีเป็นดาบวชื่อว่าเกศวา อ, อีกชาติหนึ่ง น, นะฤาษีในชื่อว่าเกศวะสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ของเราคือพระพุทธเจ้าเป็นมานพหนุ่มชื่อวานายกับปะเป็นลูกศิษย์ติดซ้อยห้อยตามท่านเกศวะ เป็นคนที่คอยรับสนองกิจการงานประพฤติถูก อ, อกถูกใจถึงพร้อมด้วยความรอบรู้เป็นผู้ประพฤติประโยชน์เนี่ยนะเกี่ยกวกาบทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่อาจารย์เนี่ยนะคือก็เคารพอาจารย์มากแสดงว่าพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าอาดีตชาติเคยเป็นสิทธิ์ของพรหมเนี่ยนะทีนี้แต่ว่าเป็นสิทธิ์พิเศษนะไม่ใช่เป็นสิทธ์แบบธรรมดานะเป็นสิทธิ์ชนิดที่เรียกว่าอาจารย์ขาดนายกลับปะไม่ได้เลย ถาม่าทําไมเป็นคนรู้ใจที่จัดการงานให้เบ็ดเสร็จไปหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันไหนนายกับปะไม่อยู่เนี่ยอาจารย์เดือดร้อนเหมือนกันเถอะก็เรียกว่าไม่สามารถจะให้เป็นไปได้เพราะอาศัยนายกับปะนั่นแหละเกสวะนั้นจึงเลี้ยงชีพอยู่ได้ก็แปลว่าบางทีมันก็มีภาระนะก็ต้องมีคนที่คอยช่วยดูแลพระองค์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฉันเนี่ยเป็นนายกับปะติดสอยห้อยตามเธอ เธอก็เข้าใจว่าชันเนี่ยมีความรอบรู้มีพรตนั่นเป็นพรตนั่นเป็นศีลเป็นวัดเก่าของเธอชั้นตามระลึกได้คล้ายกับหลับแล้วก็ตื่นขึ้นพระศาสดาประกาศกรรมที่ทําให้มีแล้วในอัตภาพต่างๆของพรมดังกล่าวมาขณะที่พระศาสดากําลังตรัสเล่าความหลังอยู่นั่นแหละพรอมก็กําหนดได้ระลึกได้ค่อยจําได้นะมีคนมาเล่าแล้วเออมันคลายคลายเออใช่ไหอมอย่างนั้น กรรมทุกอย่างของพรมก็ปรากฏเหมือนรูปที่ปรากฏเมื่อประทีพผันดวงลุกโผล่ขึ้นก็เลยมีจิตเลื่อมใสเนี่ยนะพรมนั้นมีจิตเลื่อมใสกล่าวเป็นคาถาว่าเธอรู้ชัดอายุของฉันแน่นอนเธอรู้แม้สิ่งอื่นๆเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอนุภาพอันเธอให้ลุกพโพล่แล้วนี้ก็อย่างนั้นแหลย่อมอยังพรมโลกให้สว่างอยู่ ก็ยอมรับนะว่าโอ้เนี่ยท่านนี่เก่งจริงๆนะก็ยอมรับว่ามีความสามารถแต่พรมก็คือพรมไม่ใช่ว่าจะยอมกันง่ายๆนะในหน้า445เนี่ยนะในย่อหน้าที่บอกว่าพรมเรารู้ความสําเร็จรู้อนุภาพของท่านอย่างนี้ว่าพระกะพรมมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระกะพรมมีอนุภาพอย่างนี้พระกะพรมมีศักดิ์มากอย่างนี้พรม กายของหมูสัตว์สามอย่างอย่างอื่นมีอยู่ท่านก็ไม่รู้ไม่เห็นกายสามอย่างเหล่านั้นแต่เรารู้เราเห็นอันนี้เนี่ยพระองค์ก็แสดงธรรมให้ให้พระกะพรมฟังต่อไปนะว่าสิ่งที่พรมยังไม่รู้อีกเยอะเนี่ยนะแค่อดีตตัวเองก็จําไม่ได้สิ่งที่ในในโลกธาตุเนี่ยนะที่ท่านยังไม่รู้ยังมีอีกเช่นกายหมูสัตว์ที่ชื่อว่าอาภสระท่านเคลื่อนแล้วจากท่าน ท่านเคยจุติจากอภัสรมาอุบัติเกิดขึ้นในพรห ม, มโลกความที่ท่านมีสติหลงลืมไปเพราะท่านอยู่ในพรหมเนี่ยนานเกินไปเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นกายนั้นแต่เรารู้เราเห็นก็แปลว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิดในมหาพรหมเนี่ยนะเป็นพระกะพรหมก่อนหน้านั้นท่านเกิดในชั้นอภัสรพรหมท่านจุติมาปฏิสนจุติจากอภัสรพรหมมาเกิดในมหาพรหมท่านก็ลืมไปเนี่ยนะ พักพรม้มเราเป็นผู้อันท่านเทียบเทียมไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งแม้อย่างนี้คคเครียกว่าความหลังของท่านขนาดนี้มันห่างกันเยอะเนี่ยนะท่านเทียบเราไม่ได้หรอกในเรื่องการระลึกถึงอดีตที่ผ่านมาที่ไหนเราจะเป็นผู้ต่ำกว่าท่านเนี่ยนะตอนแรกก็คือพร้มเนี่ยเขาข่มพระพุทธเจ้าโดยนัยยะต่างๆไนงะตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ค่อยๆเรียกว่าเก็บเรียกว่าปิดบัญชีทีละเรื่องทีละเรื่องไปเนี่ยนะบอกอ้าวเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแค่ร ะ, ะลึกชาติเนี่ยว่า ก่อนที่ท่านมาปฏิสนธิที่นี่ท่านมาจากไหนท่านยังลืมเลยเพราะฉะนั้นเราก็บอกท่านที่ไหนเราจะต่ํากว่าท่านเรานี่แหละเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านพร้ะมีกายชื่อว่าสุภกินหะคือก่อนที่ท่านจะมาเกิดในชั้นอาภัสระท่านก็มาจากสุภกินหะแล้วก่อนที่จะมาจากสุภกินหะท่านก็มาจาก เวหผละเนี่ยนะมีอยู่ท่านก็ไม่รู้ไม่เห็นกายนั้นเรารู้เราเห็นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะเป็นผู้อันท่านเทียบเทียมไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านพรมเรารู้ยิ่งดินแลโดยความเป็นดินรู้นิพพานอันศักดิ์ไม่ได้โดยความที่ดินเป็นดินแล้วไม่เป็นดิน ไม่ได้มีความยึดถือแล้วในดินไม่ได้มีความยึดถือแล้วแต่ดินไม่ได้มีความยึดถือแล้วว่าดินเป็นเราไม่ใช่เป็นคนที่ชมดินพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบระหวังนิพพานกับธาตุดินให้ฟัง ว่าผู้ที่จะบรรลุนิพพานเนี่ยต้องไม่สําคัญธาตุดินว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราไม่เห็นธาตุดินโดยเป็นอัตตาเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาว่าเห็นดินโดยความเป็นตนเห็นตนในดินเห็นดินในตนเห็นตนมีดินเป็นต้นเนี่ยจะต้องไม่สําคัญในธาตุดินเข้าใจธาตุแท้ของธาตุดินตามความเป็นจริงนิพพานเป็นธรรมที่ดับธาตุดินในอย่างเด็ดขาดเนี่ยนะเพราะฉะนั้น เนื่องจากว่าเรารู้จักนิพพานเป็นที่สลัดออกจากธาตุดินเราจึงไม่ได้ชื่นชมในธาตุดินเลยเนี่ยนะพระองค์ก็เครียกว่าประกาศราประกาศรมชั้นสูงไงว่าพระองค์รู้จักธาตุดินซึ่งเป็นทุกขสัจจะและรู้จักนิโรสัจจะคือพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับธาตุดินเมื่อรู้ธรรมที่ดับธาตุดินแล้วจะมาชื่นชมธาตุดินไปทําไมว่างั้น พร้อมเราเป็นผู้อันท่านเทียบเทียมเราไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งแม้อย่างนี้ที่ไหนเราจะต่ํากว่าท่านที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงกว่าท่านอันนี้ครัว่าแยกแยะให้ดูนะแยกแยะในเรื่องตอนแรกก็แยกแยะในการระลึกชาติให้ฟังก่อนว่าท่านนะมาจากอภัสราก่อนจะมาจากอภัสระท่านมาจากสุอ่ามาจากอะไร สุภกินหะก่อนจะมาจากสุภกินหะท่านมาจากเวหพละก่อนที่มาจากนั้นท่านก็นูนมาจากเป็นฤาษีเนี่ยนะซึ่งเราก็เคยเป็นโลกเศรษฐของท่านเมื่อชาติโน้นแล้วถามว่าเอาแล้วทําไมพระโพธิสัตว์ไม่อยู่ในพรหมโลกให้ยาวเหมือนกับพระกะพรหมละ่ะก็บอกว่าท่านอยู่ในพรหมโลกหน่อยเดียวท่านก็ทำอธิมุตตะกิรยาแล้วก็ปฏิสนธิมาสร้างบารมีต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพรหมก็ยังเป็นพรหมท่านก็สร้างบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะ แล้วก็ยังแยกอีกว่าพระองค์นั้นรู้ทั้งวัตตะและวิวัตตะรู้ทั้งธาตุดินที่เป็นวัตตะที่มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาพระองค์รู้จักพระนิพพานเป็นธรรมที่สะบัสดสลัดออกจากธาตุดินโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์เหนือกว่านี้ประเด็นนี้พระองค์ก็เหนือกว่า น, นะพรอมรู้จักแต่เพลิดเพลินชื่นชมในธาตุดินรู้จักวิธีสร้างธาตุดินแต่ไม่รู้จักพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับ ธาตุดินไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ตรัสรู้นิพพานเป็นที่ดับธาตุดินพ้นแสดงว่าพระพุทธเจ้ารู้ธาตุดินปฐวีธาตุปฐวีธาตุสมุทัยปฐวีธาตุนิโรธปฐวีธาตุนิโร ท, าโรทขามินีปฏิปตาซึ่งในยะนี้พรหมนิตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอาวิชชาไม่ไม่ไม่ได้ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้เลย แล้พระองค์ก็บอกว่าพระองค์รู้จักธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมรู้จักเหล่าสัตว์รู้จักเทวดาประชาบดีพรหมรู้จักอาภัส ร, พรสาพรหมสุภกินหะพรหมเวหับพลมอภิภูพรหมเนี่ยนะอภิภูพรหมก็คือนับตั้งแต่นนท์อสัญญาศาสตร์เป็นต้นเนี่ยนะเราพรหมเรารู้จักสิ่งทั้งปวงเรารู้จักพ่านิพานที่สัตว์ไม่ได้โดยสิ่งทั้งปวงขณะเดียวกันเมื่ อ, อะนะก็เท่ากับว่าพระองค์ประกาศอะไรประกาศทุก ทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทามันพระองค์ไม่ได้ยึดถือในธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมลหลเหล่ า, ล า, ลาสัตวเทวดาประชาบดีพรมก็คือพระองค์เนี่ยพรากจิตจากภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิ่ติเจสัตวาวาดเก้าเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะอันพระองค์พ้นจากทุกพระองค์ตรัสรู้พระนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกเนี่ยนะ ด้วยประการดังกล่าวมานี้นี่แหละพรม้มเราเป็นผู้อันท่านเทียบเทียมเราไม่ได้ในเรื่องความรู้ยิ่งที่ไหนเราจะต่ำกว่าท่านที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงกว่าท่านพระพุทธเจ้าแยกแย ว, ว่าพระองค์เนี่ยรู้ทั้งวัตฏะวิวั ต, ตะรู้ทั้งเหตุให้เกิดวัตฏะความดับวัตฏะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับวัตฏะสำเร็จแล้วพร้มเขายอมไหมไม่ยอมพร้มก็บอกว่าผูา้นระทุก ก็ถ้าแหละท่านรู้นิพพานที่สัตว์ถึงไม่ได้โดยความเป็นสิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งทั้งปวงถ้อยคําของท่านอย่าว่างเปล่าเสียเลยท่านอย่าได้ก็แปลว่าท่านอย่ามูสามันไม่มีจริงหรอกเนะตัถ้อยคําของท่านอย่าได้ว่างเปล่าเสียเลยก็แปลว่าท่านอย่าพูดเท็จท่านอย่าได้พูดคําพูดเทียบเปล่าศูนย์เปล่าไปเลยเนี่ยนะพรหมเขาก็ไม่ยอมง่ายๆใช่ไหม ทีนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ว่าคือเขาพรหมเนี่ยเขาคิดว่าไอสิ่งที่เขาอยู่สถานนะที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละคือนิพพานมันมันไม่มีนิพพานที่อื่นอย่างอื่นอีกหรอกอันนะเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดอย่ามาเพอ้ออย่ามาพูดถึงนิพพานที่ไม่มีอยู่จริงเลยพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ฟังว่านิพพานอันผู้บรรลพุพึงรู้แจ้งได้ด้วยตนเองนี่นะ บรรทัดที่หนึ่งสสาสี่หบรรทัดที่5จากบนเนี่ยเป็นพุทธพจน์เนี่ยนะคำว่าเริ่มตั้งแต่คำว่านิพพานนิพพานอันผู้บรรลุพึงรู้แจ้งได้พระนิพพานนั้นเป็นอานิทัศนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใช้ดวงตามองเห็นไม่ใช่ใช้จกักขรวิญญาณมองเห็นนิพพานเป็นอนันตะเป็นธรรมที่หาที่สุดไม่ได้นิพพานเป็นอนันตะไม่มีที่สุดนิพพานเป็นอนันตะ พ้นจากความเกิดและความเสื่อมนิพพานนั้นมีรัศมีทั้งปวงเนี่ยนะผู้ที่จะบรรลุนิพพานไม่ใช่เป็นผู้ที่ยึดถือธาตุดินนะผู้ที่จะบรรลุนิพพานต้องเป็นผู้ที่ไม่ยึดถือธาตุดินโดยตันหามานะทิฐิเนี่ยนะไม่ยึดถือธาตุน้ําเป็นน้ําคือไม่ยึดถือน้ําด้วยตันหามานะทิฐิไม่ยึดถือไฟด้วยตันหามานะทิฐิไม่ยึดถือลมด้วยตันหามานะทิฐิไม่ยึดถือเหล่าสัตว์ เทวดามานพรมอาพัสราพรมสุปกินหะพรมเวหัพพลาพรมอภิภูพรมตลอดจนถึงสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุนิพพานต้องไม่ยึดถือในสิ่งทั้งปวงคือขันอายตนาธาตว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเขาจะบรรลุนิพพานอันพึงรู้แจ้งนิพพานที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เห็นด้วยจักขวิญญาณนิพพานที่เป็นอนันตะนิพพานที่มีรัศมีทั้งปวงมันผู้ที่จะบรรลุนิพพานต้อง ไม่ได้โดยธาตุดินหมายคือว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่ยึดถือธาตุดินน้ําไฟลมเลยไม่ได้ยึดถือสัตว์เทวดามารพรมอัสอพสราพรมสุภกินหาพรมเวหาภาลาพรมอภิภูพรมเลยต้องเป็นผู้ที่ไม่ยึดถือในภพสามกำเนิดสี่ด้วยตัณหามาณนะทิฏฐิเลยเนี่ยนะจึงจะบรรลุพระนิพพานเนี่ยนะตรงนี้ท่านพระพุทธเจ้าอธิบายนิพพานเนี่ยนะคตฐานหน้า4ี่หสิบ 460ที่แสดงพระนิพพานเนี่ยนะหน้า460ส่วนพระษาสดาเป็นนักพูดยิ่งกว่าพรมเนี่ยนะเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นพระองค์ก็เอาเหตุอย่างอื่นมาย่ำยีของพรมคําของพรมพรมก็บอกว่าพระพุทธท่านอย่าพูดถึงนิพพานที่ไม่มีอยู่จริงเลยท่านอย่ามามู่สาแถวนี้เลยแล้วพระองค์ก็ชี้แจงให้ฟังว่านนะนิพพานนั้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่จักขุวิญญาณจะมองเห็น นิพพานนี้ชื่อว่าหาที่สุดไม่ได้เพราะนิพพานนั้นไม่มีการเกิดและความเสื่อมสัตว์ทั้งหลายถึงที่สุดคือพระนิพพานที่ไม่เกิดเนี่ยนะพระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่มีที่สุดสัตว์ทั้งหลายไม่ปรากฏในที่สุดเราได้ประกาศที่สุดแห่งสัตว์แล้วก็คือที่สุดแห่งภพก็คือพระนิพพานเนี่ยนะพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่เข้าถึงแสงทั้งหมดเนี่ยนะหมายถึงว่ามีรัศมี อธิบายว่าสมบูรณ์ด้วยแสงโดยประการทั้งปวงจริงอยู่พระนิพพานนอกจากพระนิพพานแล้วไม่มีสิ่งอื่นที่มีแสงยิ่งกว่ามีความโชดช่วงกว่าที่สุดหมดจดกว่าหรือขาวกว่าเนี่ยนะพระนิพพานนั้นเป็นแดนเกิด อของมรรคผลเนี่ยนะนิพพานเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดแหง่งอริยมรรคเป็นต้นและนิพพานเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าอยู่ในทีศไหนนิพพานไม่ได้อยู่ในทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศ ต, ตะวันตกเบื้องบนเบื้องล่างเป็นต้นไม่มีอ้าแล้วถามว่าผู้ที่จะบรรลุนิพพานทําอย่างไรถ้าที่จะทําให้บรรลุนิพพานเนี่ยนะมากเหมือนท่าที่จะข้ามทะเลเหมือนอย่างว่าคนจะลงทะเลเนี่ยลงที่ไหนได้บ้าง ลงลได้มากฉันใดผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุพระนิพพานก็ต้องสามารถที่จะข้ามได้เหมือนกับเนี่ยกรรมฐาน38ข้อเนี่ยนะทั้งสมถะวิปัสนาเคียงคู่กันไปสมถะจะขึ้นต้นหมวดไหนก็ได้ก็สามารถที่จะทําให้บรรลุนิพพานได้ฉันนั้นพระนพิจารณาผมเกษาเกษาสมุทยัยเกษานิโรธก็สามารถที่จะตรัสรู้พระนิพพานเป็นต้นพระนอารมณ์กรรมกรรมฐาน38มสดนะนะเช่นกษินสิบอสุภาษิสอนุสติสิบ เจตุธาตุว่วัฏฐานเป็นต้นกรรมฐานเหล่านี้ก็เป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานพันธพระนิพพานนั้นน่ะไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ําไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุมาลมเพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยพ้นจากกรรมมพบรูปประพบอรูปประพบพ้นจากขันคือรูปเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเธอเนี่ยนะอยู่ในเรียกว่าตกอยู่ภายใต้อํานาจแห่ง ภูมิสามเป็นวิสัยของบุคคลแบบเธอเธอรู้แค่กามาพบรูปประพบเละอรูปประพบเธอรู้เพียงวัตฏะแต่เธอไม่รู้สิ่งที่ไม่มีที่สุดคือพระนิพพานเน่ยนะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันบอกว่าเออท่านไม่รู้จักนิพพานพรหมเขายอมเลยใช่ไหมมาแม่เนี่ยนิพพานใช่เลยเชื่อเลยเป็นต้นพรหมยอมรับเลยทันทีไหมพระองค์บอกอริยศาสตร์ให้พรหมฟังเนี่ยนะไม่